ทำคามปฏิบัติธรร ม, รมเข้าถึงความเทศจความจริงไม่เหมือนกันเรียนรู้หรือว่าคันถ่าทุละอ่านเรียนวังคิด วางปฏิบัติธรรมมันเป็นภาวนาระยะปัญญาเกิดปัญญาสูงสุดเหยียนลัดเตากลายเป็นหลักสูตรอจเป็นหลักสูตรมีสติเข้าไปดูไอรูกลายอยู่เป็นประจอม เชื่อว่ามีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสมบัติย่อมมีสติถอนของพอใจแลกความไม่พอใจในโลกออกมาให้มีสติความพอใจความไม่พอใจมันเป็นโลสของโลกอันเวียนว่ายตายเกิดออกมันมาให้มีความรู้สึกตัว เมื่อมีความพอใจไม่พอใจก็เป็นไปอย่างอื่นมากมายถึงความเกิดแก่เจ็บตายได้เป็นพเป็นชาติได้ความพอใจความไม่พอใจมันตั้งต้นที่นี่ภพชาติตั้งที่นี่เชิญภพเชินชาติก็จบลงที่นี่คุมกําเนิดที่นี่ปฏิ สามชัญญาเป็นการคุมกำเนิดของพบของเทญตหัดย ท, ทำอยา่างนี้จึงเป็นปัญญาที่เกิดจากภาวนาปัญญาพุทธะลูกผู้ตื่นผู้เบิกบาน หดออกมาจากความพอใจความไม่พอใจมามีสำชัญญะมีสติก็เกิดมีศินมีสมาธิมีปัญญาถ้ายังมีความพอใจความไม่พอใจอยู่ก็ถือว่ายังผิดศิลอยู่ศิลสิกขามันใช้สินส สมาทานสินรับจา้าศสินไล่แมงบีแมงวัดอันนั้นไม่ใช่สินศิกขาสินศิก ข, า, กขาเป็นสินฉลุกิเลสสิเลสก็เกิดขึ้นที่นี่กำเนิดของสิเลสความพอใจและความไม่พอใจเนี่ย มันจึงฉะลุงตรงนี้จึงมีศีนขึ้นมาเมื่อมีศีลขึ้นมาเราเกิดเกจิเลดได้ตามศาสตร์ตามศีลของศีลจำนานมากขึ้นก็งี้ก็สะดวกมากขึ้นในการละความชั่วในการทำความดีบริสุทธิ์มากขึ้น หมดจดจ่อเครื่องเศ้าหมองมากขึ้นหมดจดจ่อเครื่องเศ้าหมองมีโรคโกรธหลงมากขึ้นก็เป็นวงกลมเป็นของจักเป็นมรรคหมุนไปเรื่อยๆเมื่อมีศินเมื่อมีองค์มรรคเกิดขึ้นเดนธรรมเดินธรรมะจับหมุนไปศีล ทรรมเกิดสมาธิสมาธิทำไมเกิดปัญญาปัญญาทรไมเกิดฉินหมุนไปทีจใดเหยียบไปจี่ไดรวามกดความ โ, มโลภความหลงล่าลงเรียบลงเหมื hmm. อ น, นใบมีดแท็กเตอร์ <c oughs> ใบมีดรดแท็กเตอร์ผ่านไปที่ไหนที่นั่งก็เรียบลง สะดวกการลำความชัว่วการทำความดีสะดวกกว่าที่จะทำความชัว่วจะก่อนทำดีได้ยากทำชั่วได้ง่ายถ้าอยากมีความพอใจไม่พอใจทำชั่วได้ง่ายทำดีได้ยากพอละถอน อ, อก จากความพอใจความไม่พอใจออกมาก็ทำดีได้ง่ายทำชั่วได้ยากผ่มขืนตัวเองการทำชั่วการคิดชั่วคิดไม่ลงพูดไม่ออกทำไม่ได้เพราะอ้อมไปสวดเหมือนกับ อาบน้ำแล้วจะไปเกียกขี้โคนไม่ได้แต่ก่อนมันเป็นเด็กเห็นที่โคนมันเล่นเล ย, ยมันโตขึ้นมาแล้วมันลงไม่ได้มันเปิดมันเพื่อนจินรักษาชีวิตไปเลยสมาธิรักษาปัญญารักษา แต่ก่อนอาจจะรักษาศีลสร้างศีลขึ้นมาต่อไปศีลจะรักษาทำรักษาศีลรักษามาให้ตกไปในช่ชวก็เกิดความสะดวกน้ปฏิบัติธรรมไหนนี่จะศีลที่รมาช่วยทำย่อมรักษาผู้พิธทธรรมอยู่เป็นนิด ทำย่อมรักษาผู้ผิบัติทาให้ตกเปน็นเช่ชั่วให้ เ, เหมือนมีเงินมีทองเงินทองมันก็รักษาไม่ได้โกรธก็รักษาไม่ได้เงินทองเอาเงินไปจ้างคนโกรธมาให้โกรธเอาเงินไปจ้างคนทุกข์ม่ให้ทุกข์กนะึ่งมันก็จ้างไม่ได้ ความพอใจความบ้ปพใจเอาเงินไปจ้างไม่ได้มีแต่ทำเอาเองเมื่อมีทำรักษาเราก็ทำก็รักษาเองเหนือการเกิดจ็เจ็บตายาเปลี่ยนค ว, ว่าทุกข์ไม่มีมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้ น, ด, น, ด, น, ด, น ด, ดับไปออกจากทุกข์มันมีอะไรอีกแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เป็นชีวิตบริสุทธ นั่นเราอย่าไปโลภคำไม่มีเวลาที่จะพูดเรื่องอื่นเราอยังมีความโกรธความโลภความหลงอยู่ถือว่ายังไม่มีสินหนกสินจิตหานะโดยเพราะสินที่เป็นศินสังคมสินสบาทานลอ ก, กันเฉยัวน้องตาเคาไปอยู่กับมหายานสองปี ประเทศสารัฐแล้แ ว, ว, ว, ว, ลลวว่าบอยเทรวาดเนี่ลมเหลวมากรับสินบ่อยๆแสดงว่าล้มเหลวมหายานกรับรับสินปีละครั้งมหาสินแต่ว่าเทระวาดรับสินกัน เป็นว่าเล่นเฉยๆอางทีเมา อ, อยู่ก็ยักว่าสุลามีระยามัจฉรปมาตตาณาเวรมณในสิ้าปทังสมาธิยาม่โล ก, กันให้เห็นพูดให้ได้ยินทั้งทั้องที่เมาอยู่บางคนก็บอกว่าไม่เอาสินข้อนี้ไม่เอาเลือกเอาแต่มีเมาแล้วก็ทุกนก็ มีอันหนึ่งก็ผิดเป็นหนึง่งเองพระคนก็บอกว่าราตนาสินนั้นผิดเฉพาะตัวอยู่ที่คำลัตตาว่าอย่างพันเตวิชงุงวิชุงลักณาถ่ายยะติเชนีสหกัญจะศิลานิยาชาบะถ้าว่ามีสุงวิชงุชงผิดเฉพาะตัววาอย่างพันเตติเชนีสห วันจาาชีลานิยาจามะถาว่าติชนเน่ผิดหมดทั้งผิดตัวหนึ่งผิดหมดเอาคำสมมุติบัญญัติยึดมั่นถือกับลักษณะนั้นไม่เอาความจริงจึงเกิดมีวิธีมีพิธีมีสมมุติการขึ้นมาไม่ถึงปรมาตา์ชักที ไม่พระพุทธก็ถูกทองคำไหวพระธรรมก็ถูกตําราว่าพระสงฆ์ก็ถูกพระลูกพระหลานพระพุทธตัวจริงคือสติคือปัญญาที่หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆมีที่เรามาเห็นรูปเห็นนามเห็นธรรมเนี่ยรูปตื่นขึ้นมารูปวุ่ก็คือรูปตัวเอง ไม่หลงไม่ทำให้ไม่หลงในตัวเองไม่หลงในการในใจวุ่นคือรู้รู้สองผ่ดดาดูแล้วมันเท็จจริงต่างกันเช่นความรู้สึกตัวกับความหลงตัวรู้จริง ความหลงกับความรู้ความโกรธกับความรู้หรือความไม่โกรธความหลงกับความไม่หลงความโกรธความไม่โกรธความทุกข์กับความไม่ทุกข์นี่คือรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้ก็ละความชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ์นี่คือบุญ ทุกไปได้หลงไปได้โกรธ ไ, ไ, ไปได้ทําชั่วไปได้เนี่คือลูกคือบุญนี่คือมาลูกที่มันเกิดกับกายกับใจเรานี่ยปฏิบัติธรรมจึงเห็นของเทศของจริงเลือกได้ชีวิตเนี่ยมันเลือกได้ไม่ใช่ฝันเราต้นเดาวออง เราพบเห็นอยู่เธอๆนี่คือความรู้สึกนี่คือความหลงมันแช่กันมาเป็นคู่กันอยู่ของที่เป็นคู่กันเห็นได้ง่ายเห็นอันหนึ่งก็เห็นอันหนึ่งไม่จนสักทีเห็นหลงก็เห็นความรู้ต่อไปเมื่อหลงก็เกิดความรู้โดยปัจบัิเป็นไปเอง ความหลงทําไมสูงความรู้สูงขึ้นจะเลิญขึ้นงอกงามขึ้นรวมทุกข์ทําไมความไม่ทุกข์งอกงามขึ้นรวมโกรธทําห้เกิดความไม่โกรธ ง, งอกงามขึ้นเป็นที่เหยียบเป็นที่ยืนเป็นที่ทำให้สูงขึ้นไปทุกข์จึงเกิดเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้มีเหย ถ้าดูดีๆมีแต่ได้มีแต่ได้เวลาเราปฏิบัติได้ก่าเรียนได้ประสบการณ์ไม่ใช่ปฏิเสธเวลาเราปฏิบัติทำมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นการปฏิบัติจริงๆไม่มีแต่ประโยชน์ ปฏิบัติก็คือโต้ตอบทักท้วงเปลี่ยนกลับมาเราก็ตั้งมาอยู่แล้วมีสตรีตั้งบนันไดกายอยู่แล้วมีธีตั้งมีวิธีทําอยู่แล้ ว, ว, ลวกลับมาที่มันก็ได้หวันชิดก่อนเลยรู้มากขึ้นมันหลงกว่าเลยรู้มากขึ้น ให้มันเกิดอะไรขึ้นมามากๆจะได้รู้มากๆจะได้ซ้อมจะได้ฝึกหัดเหมือนลงสนามยุ่งจบหลบยุจงจบหลีกยุจงจวิธีการก็จะชนิดชำนาญในด้านต่างๆคนที่หลงมากก่จะรู้มากคนที่คิด หลงในทางความคิดก็จะรู้ในหลงในทางความคิดมากขึ้นหลงในจลิตติาหารก็จะรู้เรื่องเจตติหามากขึ้นมันเท็จริงแค่ไหนเพียงหลายด้วยเอาคนละ ม, ม, มุมมาคนละ ม, ม, มุมโดดคนละ ม, ม, มละุมคนละฝังมาไมีฝัง่งสองฝั่งฝั่งซ้ายฝังขวาบาถ้ามว่าเราก็โดดได้แล้วก็โดดตอนที่เราเห็นนั่น มันเห็นงูพิษมันก็มันก็จะให้งูกัดยังไนมันก็โดดได้มันก็หยุดได้มันก็ปลอดภัยได้ตรงนั้นมันเห็นมันถึงปลอดภัยนี่คือของจริงที่สวดดูจะเห็นของจริงด้วยตัวใครตัวมัน เวลาเราปฏิบัตินี่อย่าไปอ้อนวอนอย่าไปอ้างโน้นอ้างนี้บางคนก็ว่ามีกิเลสตัณหามากปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่เลยมีกิเลสตัณหามากแล้วล่ะนักปฏิบัติบางคนก็ง่วงงั้นเราจะได้ขยันลูก อย่าเอาความมุ่งมาเป็นปัญหาบางทีมันเครียดนั่นหละจะได้ขยันรู้อย่าเอาความเครียดมาเป็นปัญหาบางทีมันคิดอะไรไหลไปเลยเหมือนพุง่งซ้อนไปเลยนั่นหละจะได้ความคิดนั่นแหละมาเป็นปัญญาได้มาลู่สิกตัวมันมีหลักอยู่นี่วเวลาเราปฏิบัติธรรม มรนเห็นของกิ่งของเทศในคราวเดียวกันเรามีสติเป็นเจนชีวัตเอาไว้อยู่แล้วเป็นเจนชีวัตอยู่แล้วสติไม่ต้องไปหาเหตุบคุณนั่นได้เวลาเราปฏิบัติก็กลับมาที่ตั้ง อยากหาคำตอบจากความคิดเอาผิดเอาถูกเอายากเอง่ายเอาได้เอาเสียมันสติมันไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอะไรกับอะไรหรอกมันยากก็เห็นมันยากมันง่ายก็เห็นมันง่ายนั่นสติเป็นอย่างนั้นยากง่ายไม่มีค่ามันผิดก็เห็นมันผิดมันถูกก็เห็นมันถูกนี่ มันสุขก็เห็นวันสุขมันทุกข์ก็เห็นวันทุกข์นี่มันสงบก็เห็นมันสงบมันฟุ้งซ่านก็เห็นมันฟุ้งซ่านนี่คือสติม่าใช่แบบเป็นไปกับนั่นเป็นไปกับนี่มันใช่แบบนั้นสติจะเป็นกลางอย่างนี้เป็นธรรมนี่เป็นกลางนี่มีความเป็นกลางเกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อมีความเป็นกลางก็มีความเป็นธรรม เรีกว่ามัจนะมัจคือดูเนี่ยไม่ใช่มัจคือไปบุญคาถาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจารสัมมากรรมันตาสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิไปท่องเอาลวก็มันมีอยู่ที่นี่แล้วจนงค่เกิดท่องเป็นภาษาขึ้นมาภาษาพระพุทธเจ้า มันเห็นอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเข้าถึงธรรมจึงว่าพุทธังสนังขจามิข้าวเจ้าถืออบาพุตตเจ้าเป็นสนะุนาะข้าวเจ้าถือพระเจ้าเป็นสุนะแล้วข้าวเจ้าจังค้นจับทุกท้องปวงได้ถึงแล้วสองผันตัวแล้วนถึงแล้วจึงตัดเฉนใจนหวัวตาจับประกวาโตออกมาเรื่อคนวลราณ ยังไม่มีทอมไม่รู้ทอมเมื่อไปฟังุูธเจ้าแสดงทอมก็เห็นด้วยทางเก่ากับภาวะที่เราเคยเป็นุทธเจ้าโชว์ดันขึ้นา่าโชว์นี้ขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้าปงมเทศนากันแรกโปรดปัญจวัคคีเนี่ยเราชี้ทางไปก่อน กางผิดทางถูกการมาจุขานิการโยโคอิ โ, กโนกัมโพปุตุชนโยอนาลิโยไม่ใช่ของพระเจา้ทาท้องอันเด็กทรมานตอนนีบากไม่ใช่ทางของพระเจา้าแล้วก็โชว์อริมัติมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปาะขึ้นมาโชขึ้นมาไม่ต้องง่าย ไม่คัดค้านไม่สนับสนุนแต่ว่าโชว์ให้ดูเคลดจังกายเจอ ง, ง่งกอู่ฟังปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ฟังไปฟังปัปแล่วโชว์ให้เห็นนอกกิดลสนอกจากที่ทางเป็นมากรลยต่อไปถึง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 ขึ้นไปข้าสุดท้ายม้วนลงที่อริยศั์มีเหตุมีผลทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุทุกเป็นผลนหวงโกรธเป็นผลหวงวลหวงลงเป็นเหตุก็เห็นหลัดเั้นฐานเห็นเหตุเห็นปัจจัย เพราะจึงนี้มีจึงนี้จึงมีผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นว่าพระพุทธเจ้าผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทเพราะสิ่งนั้นมีจึงนี้จึงไม่จึงนี้มีจินี้ไม่เพรมีรู้จึงไม่หลงเพราะหลงจึงไม่รู้ไม่ใช่เราโกด้นมาก่อนที่จะโกดมันหลงก่อน พอใจก่อนไม่พอใจก่อนมันไม่มีความรู้สึกตัวทำไมไม่มีความรู้สึกตัวเพราะไม่ประกอบมันมีอยู่แต่ไม่ประกอบไม่ออกมาใช้มีอยู่แต่ไม่ได้ใช่พราะมันหลงทำไมจึงหลงเพราะไม่รู้ทําไมไม่รู้เพราะไม่ประกอบเราก็เลยมาเหยียดหลักั่นงๆเออกลับมาเลย เรื่องอลูกเสียดอยู่ที่วัด ป, ปดู่ข่อยทองปูว่าเวลาเดินยกงงก็ก็กลัวหลวงตามีผีหลอกไหมที่วัดหลวงตาหนึง่งถ้ามีผีหลอกก็กลัวถ้าหลวงตาว่าไม่มีเขาก็จบคิดแบบแน่งง นั่นเป็นมันไปสาวไปงุมไปสาวที่ที่ปลายเหตุความกลัวมาเกิดจากความคิดความคิดมันจะกัดความไม่รู้จากตัวคิดขึ้นมาก็กลัวได้กลัวของมิดตัวเองคิดขึ้นมาก็โกรธได้คิดมาก็ทุกข์ได้พกะ ไม่ได้รู้สึกตัวไหวตาไปตาป่าไปไม่มีหลักมือหลักกันใช้ชีวิตก็เวดว่ายตาเกิดกลัวๆก็กล้กลกลสุกๆทุกๆขอใมันจบซปฏิบัติทรรมันจบจริงๆนะเพรามันเห็นอันเดียวจบเลย เรีบๆสักหน่อยไหวสักหน่อยกลับมาไปไหวกรรมาฐานเพียงพอที่จะกลับมาได้ง่ายโดยเพราะสัมพัญญา บ, บพะอามแรงกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตัวได้ดีที่สุดไม่เหมือนลมหายใจลมหายใจบางทีมันพัดเข้าไปความสงบ มันก็สุขมันก็สงบความสงบก็กลายเป็นการรู้ว่าสมาธิไม่ใช่สมาธิมันต้องหมดหมดปัญหาสงดแล้วจากกรมทั้งหลายสงดแล้วจากกุศลทั้งหลายมีปิติมีสุขมีวิตกพิจารณตึกตรงในทับอยู่สงดจากจริงต่างๆแล้วเปิดเผยในะทรมอยู่ก็ถึง ทุติยฌานละวิตวิจารนะว่าสงบตอนสมาธิเนี่ยสมาธิไม่ใช่ไปนั่งหลับตาอยู่นิงน่งสมาธิอาจจะวิ่งอยู่ก็ได้นะมันสงบจากข้าศึกเดินไปๆเวลาเดินไหมพี่เจ้ายัางวิ่งนะคงคทำงานร้อยจากข้าพระเจ้ายัางวิ่งเลยไม่ใช่นั่งสมาธิเพื่อปรบับมานอะไนนะ มามันเกิดที่คิบจิตใจของเรานะสมาธิมันสงบแล้วจากกามทั้งหลายจากกุศลทั้งหลายสมาธิมันเกลี้ยงเก่าบริสุทธิ์ไม่มกกีจึงมารบกวนจึงอยู่ที่การกระทํดที่การฝึกของพวกเรา พะไรไปว่าจะพูดอะไรไปกั็หลงไปรเรามันอันอื่นมันแฉกมันแย่งให้พูดนะมีแต่เรื่องที่ให้พูดมันพูดให้มันไม่ทันเอยต่อนะคนสองก็ไม่ค่อยรูจ้จักเนาะพูดตัวเองนะแล้ว ไ, ได้คิดนะักมันออกมาให้พูดมันเป็นหมู่มเป็นหมวดออกมาหมวดหง อ, อกมาก็ไปแบบหนึ่งหมวดหนึ่งมัาก็ตัดไปแบบหนึ่ง ก็ได้คิดทําพาให้พูดความถูกความผิดพาให้พูดพาให้ปอกว่ามันเห็นว่ามันลูแ่แกล้ความเท็จความจรงิงเอาคอประกันความหลงไม่จรงิงความไม่หลงมันจริงความทุกข์ไม่จรงิจรงเด็ดขาดมีคนบอกแล้ววันนี้วันพระวันนี้วันที่หกวันนี้ ได้ยินแล้วว่าไม่ผู้บอกความโกรธไม่จริงนะความไม่โกรธมันจริงกว่าเลือกเราดูวงทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงเลือกเอาอย่างนี้มีคนบอกเ่านะอย่าดื้อ น, นะเวลามันหลงความรู้ก็มีอย่าไปหลงอยู่หนึ่งนาทีสองนาทีเวแล้วมันโกรธความไม่โกรธก็มีรีบกลับมาความไม่โกรธไม่จะไปยกมืาขึ้นมีคนบอกแล้วอว่าไม่บอก ก็มีทุกข์เพื่ออะไรไม่รูจากปฏิบัติเองใครก็ช่วยมาได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนมามากลับมามาปฏิบัติจะอ้อนวอนยังไงก็ไม่ได้จะให้สิ้นให้พอรอย่างไงก็ช่วยมาได้ถ้าทำสับ ป, ปีก็ช่วยไม่ได้ต้องปฏิบัติลงไปปฏิบัติตะวให้ไม่ได้พรนี่แต่บอก แล้วก็เอาไปทำเอาพอรคือพระพระคือประเสริฐใจดีต้องทำเอาใจร้ายต้องละเอาฮะคือใจดีดีใจร้ายเป็นผีใจดีเป็นพระโบราณทันวาทมเอามีพรคือมีพระในใจพระคือประเสริฐชีวิตประเสริฐ เสริฐเพราะหนีความชั่วทำควาบดีได้แล้วเลาะได้แล้วความชั่วเละาะตะพึทธตะพือ้อจาะพึทธตพื้นร้อดีก็ทำมาตะพึ่งตะพื้ไม่หยุดไม่หยอห่อนสลมเบียงโดยน้ํานักป่าปี๋โดยธรรมความไปกความดีจะไม่จิตความชั่วเลาะไปความดีทําไปไม่ยืดไม่ติด เอาจึงรีบเรีบสักหน่อยคำว่ารีบไม่ใช่ไม่ดอกบไม่นอนไม่อยู่น่ยนอนอยู่ก็ได้เหล่าของชั่วนอนอยู่ก็ได้นั่งอยู่ก็ได้ยืนอยู่ก็ได้เอามาให้เราเห็นอยู่ดอกมันเกิดที่กาที่ใจที่รูปที่นามในเกิดที่ไหนก็อยู่ที่นั่นล่ะความผิดเกิดที่ไหนความถูกก็อยู่ที่ น, นั่น ทุกอยู่ที่ไหนควรไปทุก็อยู่ที่ น, นั่นอยู่ด้วยกันเหมือนฝ่ามือนะมันหลังมือหน้ามือว่างง่ายๆเจรจาความชั่วทำความดีไม่ต้องมาโกรธอยู่ที่กรุงเทพมาเล่าความโกรธอยู่ที่วัดป่าสุโขทูไม่ใช่แบบ น, นั้นอยู่ที่ไหนก็เล่าอยู่ที่ น, นั่น มันมีอยู่ในเรานี่แล้วมีสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์นิพพสมบัตินิพพานสมบัติอยู่กับเราทุกคนมองคนทุกคนเหมือนพุทธเจ้าพรนะนางฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงพระชดมนูนดูคนทุกคนเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนให้ไม่นิพพานอยู่ที่ น, นั่น ทำได้หเปล่าเนี่ยอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั้นทําชีวิตให้เบาเบาทำพิชิตให้เบาเบาทำชีวิตให้ปกติตลอดวันพยยามให้มีความปกติตลอดวันเต้นขึ้นมาก็ปกติจะนอนก็ปกติอย่ากังวลสิใดๆให้ว า, วางให้หยุดจุดให้เย็นเย็นอย่าไปคุมร้ายคุมดี วันนี้ดีวันนี้ไม่ดีอันนั่นมันให้กันอื่นมามาสั่งการเราความดีของเรามันมีอยู่แล้วอหพิชให้เบาเบาทำผิวให้ง่ายง่ายให้ปกติตลอดเวลาอยู่ที่ไหนมีที่พานอยู่ที่ น, นั่นอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรสร้างชีวิตรอบดี แต่มีคำพูดกับไม่เป็นลายอย่าถ้าจอทยานอย่าดวนรับอย่าดวนปฏิเสธฟังไหวหูไว้หูของเราจะให้ถึงเป็นสุขเป็นทุกเป็นชอบไม่ชอบ เอาควมไม่เปนลายเอาสติของกันไว้ทำชีวิตให้ไม่มีอะไรที่จะมีค่าที่จ ะ, ะรับไปวางวางวางวางอาจจะเป็นชีวิตล้อมทีดีสร้างชีวิตล้อมไว้ตัวเองเวลาเราปฏิบัติผมยิ้ยมไว้ง่ายๆชีวิตง่ายๆชีวิตเบ า, บา กินอาหารย่อยง่ายๆอย่าไปกินอาหารที่มีพิษมีภายให้ธรรมดระวังมีสติรอบขอบอ่านช้ชีวิตไม่ใช่มีสติแต่มายกมือช่างจังหวะเคลื่อนไหวเดินจนกรมนอกรูปแบบก็ยิ่งดีปัญหาอหารเกิดขึ้นโนอกรูปแบบเป็นส่วนมากไม่ใช่อยู่ในรูปแบบนะ อะไรก็มาจิกจ๋าเลยลูกภายนอกภายในอันนี้ก็เท่นี้แหลนะเนาะผู้ใด ไ, ดไม่มากสมควรเจ้ิเวลากับมาพร้อมกัน